คือจ ร, จริงๆแล้วการฟังธรรมที่ฟังทั้งหมดเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อมโนสุดจริตนั่นเองก่อนเป็นลําดับแรกที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยนะก็คือวิธีเจริญมโนสุจริตนั่นแหละท่านอย่างเราเรียนปฏิสัมพิทธ์ทั้งเล่มนะเราเอาไปเจริญได้มากอย่างมากยี่สิบหน้าเรียนทั้งเล่มเนะี่ยมีพันหน้าไปเจริญได้มากกว่าสิบยี่สิบหน้านั้นแหละปริมาณที่เรียกว่าโอ้โหไปรับเรืเราเนี่ยรับได้น้อยมากอะ่ะ ถ้าฟังมากจึงกับไปเจริญได้หน่อยเดียวเนี่ยถ้าฟังมากขนาดหนึ่งจะเจริญได้อีกขนาดหนึ่งเนี่ยนะคืออินทรีย์เราอ่อนไงโดยเฉพาะสติินทรีย์เนี่ยอ่อนถ้ามีผู้ถามว่าถ้าหากว่าสมมุตินะพูดแบบขอพรได้เหมือนันเถอะให้เลือกเอาระหว่างสติกับปัญญานี่จะเลือกเอาอะไรพขอมาจะเลือกเอาสติเนี่ยนะเพราะว่าสตินี่จะทําให้ระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดได้ทั้งหมดเนี่ยนะ อันอ่านพระไตรปิฎกรวดเดียวจำได้หมดเลยแต่ถ้ามีปัญญาและสติไม่ยากะแต่จริงๆแล้วนะคนมีสปัญญาก็คือคนมีสตินั่นแหละงั้นถ้าขอปัญญาก็เท่ากับขอมีสติด้วยนะแต่ความทรงกรรมเนี่ยเป็นเรื่องดีจริงๆในแต่ละสิ่งนะถ้าเราจะเจริญให้เป็นสุจริญอยู่ที่สติอยู่ที่การระลึกของเราซึ่ง สติเนี่ยถ้าเรียนตามอัตสาลีนีเนี่ยนะสติที่เป็นไตบกุศลนั้นอ่ะเป็นสติที่เรียกว่าแยกแยะกรรมดำกรรมขาวกรรมมีโทษกรรมไม่มีโทษอย่างที่ต้นชั่วโ ม, มงเราพูดถึงว่าถ้าเราจะคิดว่าเราจะบาเพ็ญสุดจริตได้หรือไม่ก็ตั้งคำถามว่าในอารมณ์เนี้ยเป็นที่ตั้งแห่งพบใหม่ของเราได้หรือไม่เนี่ยนะถ้าคิดอย่างนี้ไม่นานจะเจริญได้ เพราะอะไรเพราะมันกลัวอย่างน้อยที่สุดถ้าเผลอจิตให้เป็นผู้จริตกระสิ่งนี้อ่ะก็บอกว่าไปไม่ดีอ่ะใครบ้างอยากไปไม่ดีออันนั้นแหละพราฮีริโอตปะนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้ให้เจริญได้คนที่มีการศึกษาน้อยฟังน้อยฟังไม่มากนะอาศัยโอตปะเนี่ยช่วยได้อะนะช่วยให้ให้ให้เจริญสุจริตได้ กลัวกลัวเพราะว่ารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยอบายได้หมดเลยแต่ถ้าหากว่าคนที่มีการศึกษามามากเรียนท่าธรรมมามากอาศัยหฮริเนี่ยได้ละอายใจก็เราเรียนมาทําไมตั้งเยอะแยะทําไมคิดแค่นี้ให้เป็นบุญคิดไม่ได้มันก็คล้ายคลายมานะนะเฮริแต่ไม่ใช่มานะเนี่ยนะคล้ายแต่ไม่ใช่เพราะมีริปรารบภายในโอตปะปลารบภายนอกเนี่ยนะ มันก็หีริโอตาปะนี่แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสุดจริตถ้าหีริโอตาปะไม่มีนะเจริญไม่ได้หรอกแล้วเราก็จะคิดว่าเจริญไม่ได้ด้วยแต่จริงๆอะ่ะเจริญได้เห็นทุกคนแล้วเราคิดเจริญเมตากับเขาอะ่ะคิดได้ไหมเนี่ยมนโนสุจริตของเราเนะีแล้วเราพูดด้วยวจีกรรมที่มีเมตากับเขาเนี่ยนะคือคําพูดที่ไม่ประกอบหนึ่งพูดแล้วเขาไม่เดือดร้อนพูดแล้วเขาสบายใจ พูดแล้วเขาไม่มีโทษแล้วเราเองเราพูดก็ไม่เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยถามว่าเราจะฝึกใช้คำประเภทเนี่ยทําได้ไหมคือถ้าถ้ามีศรัทธามันทําได้หมดแหละกความเป็นบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังทําได้เลยนะเพราะเขามีศรัทธาของเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเรามีศรัทธาทําไมจะทําไม่ได้เนี่ยนะขอให้ค่อยมีใจเถอะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสอยู่สูตรหนึ่งนะของมาชอบอยู่ถึงทุกวันนี้เลยว่าผู้ที่เงียบโสดลงฟังคือผู้มีอุปนิสัย ยนะขอให้ตั้งใจที่จะเจริญตั้งใจที่จะปฏิบัติเนี่ยนะถึงจะทําได้มากได้น้อยนั่นก็เป็นอุปนิสัยเป็นส่วนที่จะทําให้ให้ตรัสรู้ทาได้เนี่ยนะขอให้มีศรัทธาเถอะคือศรัทธาเนี่ยแปลว่าเชื่อว่าเราทําได้เนี่ยนะเขาบอกว่าผู้ที่เชื่อว่าทําไม่ได้ก็คือผู้ที่ไม่มีสัทธินรีถ้าไม่มีสัทธินรีเนี่ยยังไงอย่างไรเสียก็ คุณธรรมชั้นอื่นๆเนี่ยคงเป็นไปได้ยากถ้าถ้าเราคิดว่าชั้นคงบำเพ็ญสุดจริตไม่ได้ถ้าเอากรรมสกตามาวัดนะเท่าก็บอกว่าชั้นเกิดในสุขติไม่ได้เพราะว่าสุดจริตเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้เป็นคุณธรรมชั้นสูงส่งพิเศษอะไรพอที่จะพ้นออกจากวตฏจักร <Okay. S 1> เแต่ว่าคนที่บำเพ็ญสุดจริตได้คือคนที่ปิดอบายได้เนี่ยนะแต่ถามว่าบางคนจะทําได้หรือ พอมาเนี่ยถ้าสมมตินะถ้าเราไม่มีศรัทธาที่จะทําเนี่ยนึกถึงนักขศิษขสูตรเมื่อไร่ก็จะแหมต้องทําไม่ทําแย่แ น, น่มีอยู่สูตรหนึ่งนะชื่อว่านักขาศิษขสูตรพระองค์ก็นั่งพร้อมกับพิสุสงฆ์เนี่ยเยอะพระองค์ก็เอาปลายเล็บพระองค์เนี่ยช้อนฝุ่นขึ้นมาเนี่ยนะนักขานะเล็บอะช้อนฝุ่นขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ถามพิสุดูความพิสุทั้งหลายฝุ่นในเล็บของเราเนี่ยนะกับแผ่นดินใหญ่ไหนจะมากกว่ากัน พระพิสูจท่านก็บอกว่าโอ้ยฝนในเล็บเนี่ยมีปริมาณน้อยแผ่นดินใหญ่มีมากกว่าพระเจ้าข่ากรมก็บอกว่าฉันใดก็นั้นแหละพิสูจทั้งหลายศักดิ์ที่ตายจากมนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยอย่างนั้นแหละที่ไปเกิดเป็นอบายนี่มีมากกว่าถ้าเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราจะนึกไม่ออกเ น, นี่ยนะแล้วถ้าผู้การไปอยู่ป่าเมื่อไหร่จะประกาศให้ทราบแล้วจะไปนั่งฟังเสียงมันอย่างเดียวเ น, นี่ยนะไม่มีเสียงอย่างอื่นเลยเดรฉ า, านทั้งหมดเ น, นี่ยนะ เหลือบไปในดินก็เห็นแลไปบนอากาศก็เห็นเหลือบต้นไม้ต้นไหนมันไม่มีนี่เนี่ยนะนั่งแล้วบางทีมันจะมากวนมากัดเป็นต้นเนี่ยนะกรุงเทพเนี่ยลองอยู่ในที่เงียบๆสักหนึ่งชั่วโมงดูเหอะจะรู้ว่าเด ร, รชานไม่ได้น้อยเลยเนี่ยนะถ้าถ้าไปเดินเล่นๆทางทางข้างๆไอสนามทั้งหลายแหละนะต้องดึกๆหน่อยนะเงียบๆขอมาเคยอยู่เมื่อสิบกว่าปีก่อนโน่นเนี่ยนะเคยไปให้ยุงกัดมากแล้วนั่นเองท่านก็จะรู้ว่าโอ้เด ร, รชานเนี่ยมากจริงๆ แล้วคลองทั้งหลายแหลเนี่นะตักขึ้นมาสักขันหนึ่งอะไรก็อบายทั้งนั้นเลยนะบ้านเฟอร์นิเจอร์สวยๆเนี่ยใครจะรู้ว่าข้างในเนี่ยคืออะไรคือปลวกเป็นต้นเนี่ยนะพรมที่ดูงามๆเนี่ยนะในนั้นอะ่ะเท่าไหร่แล้วเอาว่าไปก็ไกลตัวในร่างกายของเราเนี่ยอย่าคิดว่าอยู่คนเดียวนะพวกที่อยู่ในผมก็อยู่ในผมพวกที่อยู่ตามเนื้อตามตัวนี่ก็เตมไปหมดแหละก็อย่านึกว่าคนเดียวสัหลัก ก็ไม่ใช่ขันห้าหรอกไม่รู้คูนกี่ขันกี่ต่อกี่ขันเนี่ยนะเฉะันก็มีอยู่ทุกขนทุกแห่งจริงๆแต่ถ้าเราคิดไม่ได้เราเจริญไม่ได้เราก็ยอมจํานวนมากนะแต่อย่าลืมว่าศาสนานี้เป็นศาสนาของคนกล้าของคนรีเริ่มอย่างนั้นน่ยนะพระองค์สรรเสริญเรื่องความรีเริ่มเรียกว่าอารัปธานิกรรมธาตุปรกกรรมธาตุธาตุแห่งความรีเริ่มธาตุแห่งความก้าวหน้าธาตุแห่งความเพียรเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็เป็นตัวอย่างในการ ภาคเพียรเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็บอก ว, กวกา been, h, ่าท like erm ี่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระผู้เจ้าเนี่ยพระองค์ตรัสรู้ด้วยความเพียรเห็นไหมตรัสรู้ด้วยโยนิโสมนัิการตรัสรู้ด้วยความเพียรไม่ใช่ว่าตรัสรู้เพราะแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยพอบอกก็ทันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยจะขยันขึ้นไหมถ้าแยกแยะให้ดีนะแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยใช่ภพขสัตทั้งหลาย วิบากกรรมมรุปทั้งหลายแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยในอดีตใช่แต่อริยมรรคของเราที่จะเกิดก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอันนี้เหมือนกันถ้าพิจารณามากอันเนี้ยจะเป็นเหตุปัจจัยให้บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะแต่ถ้าไม่พิจารณาอันนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยแห่งวัฏฏทุกข์เหมือนกันนะก็แล้วแต่ก็จะว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยอะนะมันก็คลุมจักรวาลดีเหมือนกันเขาบอกบ้านเขาอยู่ที่ไหนบอกอยู่บนแผ่นดิน ถูกไหมพูดถูกถก็พูดยังไงก็ไม่ผิดแับเออเขามีลังคาเนี่ยบังอากาศได้ข้างบนถูกอีกเขามีชีวิตไหมเออใช่ถ้าเขายังไม่ตายกันนะคําพูดประเภทเนี้มันอย่างไงแหละมันไม่ได้สร้างสารรค์อะไรดังั้นการฝึกคิดเนี่ยนะก็อยู่ที่การการฝึกจริงๆถ้าเราเราเชื่อว่าเราทําได้เราจะทําได้ขอให้เรามีศรัทธาแต่เชื่อตัวเองมั่งสิเนาะะที่คนอื่นบอกก็เชื่อหมดเลยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ สุจริตนี้ถ้าว่าให้ตรงๆนะถ้าถ้าถ้าเรียนมาดีนิดหนึ่งนะถ้าโดยใจจริงๆแล้วเจริญไม่ยากแล้วเจริญแล้วสบายใจด้วยแต่ถ้าไม่เจริญเนี่ยจะเดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยนะถ้าเราปล่อยให้จิตเป็นไปกับบาปเป็นไปอัคศุชนะเราจะสงสารตัวเองมากที่สุดนะถ้ามีกรรมสักตาดีเหมือนกับว่าเราจะทําบาปให้ตัวเองไปถึงไหนเนอะราะนั่นผู้ที่ปล่อยให้ทุจริตนะอย่างเมื่อวานนี้สนทนากันมาว่า ในขณะที่เราปล่อยให้อากุศลวิตกมันเกิดนิดนะเช่นไม่สบายใจเก็บความไม่สบายใจไว้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะก็เหมือนกับน้ําที่มันไหลที่ภูเขาใช่ไหมมันก็ไหลทีละนิดทีละนิดมันลงเหวอะลึกไปเท่าไหร่ที่น้ํามันซ้อลงซ้อลงซ้อลงซ้ะลงในที่สุดก็ก็ลึกมากอ่ะยอมเขเล่าว่าบางประเทศเนี่ยลึกเป็นกิโลเลยนะที่น้ํามันซ้อลงซ้ะลงซ้ะลงเนี่ยลึกเป็นกิโลเมตรเลย ถามว่าเพราะอะไรเพราะเป็นทางเดินของของน้ําที่มันชํานาญมากอนะนั้นเมื่อไหร่มันก็จะไหลไปแบบนั้นความคิดของเราทั้งหลายที่เป็นไปกับอกุศลวิตกก็เมือเพราะความชํานาญเหมือนกันเราชํานานที่จะคิดให้เป็นอกุศลมานานที่จนชํานาญที่จะเป็นอกุศลวิตกนั้นมากๆทีนี้ถ้าเราฝึกอย่างนี้เหมือนกันเอาเพิ่มเอาเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆคิดให้เป็นบุญไปเรื่อยๆเรืยๆรืๆ่อย ๆ, ๆเดี๋ยวก็จะเป็นเดี๋ยวก็เป็น ฝึกได้จริงๆะนะแต่ว่ากายสุจริตมีเท่าไราแต่ว่าตัวโดยเฉพาะเนี่ยวิธีฝึกตอนแรกให้ฝึกมโนสุจริตก่อนอนัพิชาอัพยาบาทสัมมาทิฏฐิอนัพิชาคืออะไรอโลพานะก็ลองฝึกเจริญอภิกะสัญญาดูเถอะเห็นไหมถ้าเป็นอนัพิชานะถ้าใครเป็นกลุ่มสายราคาเระเจริญนยเจริญอภิกะสัญญาเอาไว้ให้มาก แล้วในที่สุดนะก็ก็อย่างทีค่คัมภีร์ท่านว่านะ เ, าเห็นผู้หญิงไปทางโน้นไมมบอกว่าเห็นกระดูกเปลินไปทางโน้นนะมนศิการโดยความเป็นกระดูกอ่ะนะอันนั้นก็เป็นกุศลวิตกสองอัพยาบาทเนี่ยนะฝึกคิดให้คนอื่นเขามีความสุขบ้างสิก็ทีนึกโรรกรธเ้ายังไม่ต้องฝึกเลยใช่ไหมคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ใช่ไม่ได้ผมทำไมหวีมาอย่างนั้นก็ไม่รู้เสื้อผ้าทาไมใส่ชุดนั้นอ่ะ หาช่องตีเขาจะได้อีกนั่นแหละทำไมเขาทําหน้าแบบนั้นทําไมเขาไม่ทําหน้าแบบนี้นะแต่งหน้าแต่งตาแต่งผมแต่งเสื้อผ้าเขาเบ็ดเตล็ดหมดเลยนะโทรศัพท์มันแต่งได้ขนาดนั้นอนะ่ะทําไมไม่คิดเออเนี่ยนะเขามีความสุขมากนะเขาแต่งแบบนั้นขอให้มีความเจริญนะอย่างเงี้ยคิดให้เขามีความสุขมีอายุยืนบ้างดีเนาะคิดให้เขาว่าไม่ดีเราอายุไม่ยืนหรอกนทะีนี้ในะขณะเดียวกันก็ฝึกคิดเรื่องกรรมไว้ให้มากๆากากรมกสักตานะเมื่อฝึกอย่างนี้ดี อตัวอานาิชาอัพยาบาทตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทําให้ล่วงคําพูดออกมาคําพูดนั้นจะเป็นวจีสุจริตทันทีเนี่ยนะถ้าพฤติกรรมที่แสดงออกที่เกิดจากสุจริตสามเหล่านี้เป็นสมุทฐานอันนั้นจะเป็นกายสุดจริตทันทีอันนั้นก็อยู่ที่ว่าฝึกเจริญกุศลธรรมให้ดีเยี่ยมไหมถ้าถ้าฝึกได้ก็เป็นไปได้นะฝึกคิดให้คนอื่นมีความสุขธาต ถ้าเป็นคนมักโกรธอ่ะนะมักเครียดบ่อยๆก็เวลาเอ๊ะเนี่ยเราเครียดแล้วนะก็บอกขอให้เรามีความสุขนะนะกล้าคิดอย่างงี้ไหมเออขอให้เรามีความสุขเราจะจะจะเดือดร้อนไปถึงไหนจะเก็บความทุกข์ให้กับตัวเองไปถึงไหนหาความทุกข์ให้กับตัวเองไปถึงไหนก็บอกที่ผ่านมาก็คิดมาบาปพอแล้วว่างั้นนะ่ต่อไปนี่จะคิดให้มันบาปอย่างนี้อีกหรือเนี่ยนะก็ฝึกอ่ะนะสอนจิตตัวเอง ถ้าใครสอนจิตตัวเองไม่เป็นนะ่ะไปดูพระพระรูปหนึ่งที่คุยกับจิตตัวเองไม่เป็นชั่วโมงอ่ะพระอะไรพระตาลาบุตรเถระเนี่ยนะในเถระกคาถนาะท่านคุยอยู่คนเดียวของท่านนั่นแหละจิตเอ้ยเมื่อก่อนนะท่านก็บอกว่าจะมาบวชไม่ใช่เลยบวชแล้วจะเจริญอย่างนั้นอย่างนั้นแนตะ่ตอนนี้ทําไมไม่ว่าแบบนั้นม้างอ่ะท่านคุยกับตัวของท่านเองอ่ะนะแล้วปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์ด้วยเนี่ยนะ เป็นอดีตนักร้องเก่าเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงที่สุดอ่ะมาบวชนะคิดดูว่าอากุศลที่ตกมันจะกลุ่มรุมขนาดไหนนะท่านท่านฝึกจิตของท่านได้นะโดยการพูดคุยด้วยกันนี่แหละแต่ว่าต้องมีความรู้เลยนะม่คุยไปคุยมาก็ตำาหนีงตัวเองอีกเพรไม่ใช่